อนรอมรอมเด่ก็ดรเนิบ ไ, ไหวงปู่ระทุมเบสอูขอถวายความเคารพกรวะแต่ท่านาเป็นภูมิศานมาเป็นหนังแอธิเดียองหลวงี่นี่อะับข อ, ก, ข อ, ขอ ก, กรบเคารพกระบกา ร, เทร า, รเทราทุเตระทุตุลู จเจนิญพรแย่งโยมทุกๆค น, ก, คนก็ขอโอกาสพระเจ้ากระสงทุกๆนะวา ร, ราะโอกาส่อนี้เรขอโอกาสใ้การเราวธรรักรเรื่องเลวราโอกาสที่พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อเขียน ส่วนโนเป็นตัวแทนวรรณภาพเราทั้งหลายก็ถือเป็นเรื่องที่โชคดีเมื่อมีพระเจ้าปสงปฏิรานุเยระทั้งวรรณะภาพ <c oughs> เจ็บตกให้รายวันต้องทำวันวัทีเป็นปีเป็นเดินเมืวันก่อนไปงานศพรุงพงจากที่สุโขทัยแดกนก่อนแต่ปีนี้แต่จะเผาปี ห้าเก้าคนบุเทนแต่ที่นี่คนที่มาร่วมงานงานศพวันนี้ก็คงเป็นผู้ที่จะเลยรอยตามปฏิปทาของหลวงพ่อคีออ่เป็นนักปฏิบัติธรรมนักไหวธรรมนักเรียนรู้ธรรมตึกษาธรรมก็เลยมาฟังธรรมหรือมา ร่วม ง, งานเรื่องในวาระอันนี้เพราะเห็นประโยชน์ไว้คงจะมีพระจ้าระสงค์ก็ดีอะไรก็ดีนะมาร่วม ง, งานอย่างญาติธรรมทั้งหลายก็คงเป็นคนที่ใฝ่ทมประสงค์ก็คงจะมาไหลทั่วทุกสารทิศก็คงจะมีผู้รู้ทำใฝ่ธรรมมาบอกกล่าวเล่าธรรมะให้พวกเราฟังก็ถือว่าเป็นการบาเพ็ญทานศีลภาวนา ไปในตัวเป็นการได้ฟังธรรมะไปในตัวกลางวันก็มีอาหารให้ทานแล้วก็มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติตามที่พระเดชพคุณท่านเคยสั่งสอนอบรมที่แนะเอาไว้ทำงานนี้อยู่สักวันสิบห้าวันนะก็ถ้าเราอยู่แล้วทำความเพียรทุกวันทุกวัวนจนที่ราคงเสรเป็นมรรคเป็นผลปรากฏเกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ในวิธีการที่ยมุนท่า น, นหลวงพ่อท่านพูดเมื่อกี้ก็ยังได้ยินนะเขามาเปิดเทปเปิดอะไรเราก็เข้าใจท่านก็จะเจริญเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆซื่อๆก็เล่นคุยเรื่องปฏิปทาหลวงพ่อก็้องเหมือนหลวงพ่อไปสารท่านพูดไปวันเล็กๆเนี่ย ว, ว่าหลวงพ่อคำเขียน เ, นยเป็นผู้มีปฏิปทาที่เมตตายิ่งควาเมตตานะ ท่เมตตาจริงๆเท่าที่เราได้สัมผัสกับท่านอยู่กับท่านอาจจะเวลาระยะเวลาน้อยนิดหรือยาวนานอทุกท่านมีเมตตาสูวงว่ากทัศบาก็มีโอกาสถวายความเคารพหรืออุปธรรมบ้างเป็นช่วงนิดๆหน่อยสั้น ๆ, ๆ, ๆ, ๆหรือช่วงเวลาที่ท่านเมตตาไปที่วัดอะไรประมาณนี้ก็จะเห็น ปฏิปทาที่รู้สึกว่าท่านเปรียบเป็นเรื่องเรตตาจริงทุกๆเรื่องทุก ๆ, กๆอันสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีอืพระมหาเถระเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพศให้เราฟังนะเวลาเราตัมผัดหรือเราอยู่ใกล้แค่ความจริงใจจริงจังหรือมีปฏิปทาที่เราอยู่ ใ, ใกล้ๆมารู้สึกมันเย็นมันสงบ ใ, ใจเราก็พอยสงบไปด้วยคือมันสื่อถึงกันได้ว่าอจิตเนี่จยจิตเมตาจินี้เป็นจิต สลุนาจิตมุติตาจิตอุเบขาคือเขามีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่จริงพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านบาเพ็ญภาวนามานี่มันทำให้เราเกิดเฮริเกิดอวสัปะขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องเป็นท่องต้องสอนต้องบอกท่องกล่าวมันมีความเกรงกลัวเกรงใจมีอวสัปะจะพระปัญญาอรไรกัน ปรากฏตัวขึ้นยิ่งถ้าหากว่านี่โอกาสท่านได้ให้ข้อคิดอะไรบ้างสักเล็สักน้อยหูเราจะพึ่งนะเดี่ยจิตมันเปิดเพราะที่จะเราฟังดังนั้นจึงนำไปสู่การการที่จิตมันจะตื่นเวลาฟังธรรมะได้ง่ายขึ้นกับคนที่เขาเรียกว่าผู้มีบารมีโดยเฉพาะผู้ที่กำลังแสวงหาทางออกอย่างปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นกาลังหาทางออกเนี่ยเวลา สรมาเถละผู้คงแก่เรียนท่านพูดให้อะไรที่สกประโยคเนี่ยมันจะคลิกในใ จ, นจกันดีเลยคิดมันจะตื่นตวามกันดีนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านก็ได้ทำหน้าที่อันนี้และก็เป็นกำลังใจให้กับพระมุขพระหลาที่ได้ดำเดนินตามแนวทางในการสั่งสอนอบรมไม่มีใครนะไม่จังวัาป่าจุขโตเนี่ยปัจจุบันเนี่ย คนผู้ปฏิบัติธรรมคือคนรู้จักเยอะแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาสัมผัสที่นี่มากมายจนกระทั่งถึงวันนี้แม้ท่านจะจากไปแต่ด้วยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันสูงเนาะวิดีโอเราก็ถ่ายไว้เทศเราก็มีผู้สืบทอดก็เยอะอเนี้ยก็จะช่วยให้ ก็ะธรรมคำสอนที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นอมตะหนังสือธรรมะ ก, ก็มีมากมายที่ท่านทำไว้อันนี้ก็ขอน้อมน้อมบุญชาคุณท่านวันนี้จะมาก็มีโอกาสแสดงธรรมเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นพุทธวจนะที่เราได้สวดไปเพื่อทำความเข้าใจในพระสัจ ธ, ธรรมนี้มากขึ้นบางทีสิ่งที่พูดนี่อาจจะไม่ไม่ใช่พุทธพจน์นะ ไม่ใช่พุทธวจนะหรือว่าไม่ใช่คําสอนของอุูบาจารย์ที่เคยพูดอะไรเรนนีแต่ก็ถือว่าทาใดที่เป็นไปเพื่อโลกุตระและชี้แนวแห่งโลกุตระสิ่งเหล่านั้นคือพระธรรมคือพระัธรรมเป็นโลกุตระหมายถึงเรื่องของมรรคผลเรื่องของวิปัสสนาชี้แนวแห่งโลกุตระอาจจะเป็นวิปัสนูเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของ ปฏิปทาการกำลังฝุกฝนเป็นมรรคยังไม่เป็นผลกระดำธรรมชี้ไปสู่ความดับทุกสิ้นทุกก็ถือว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นแนวคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราสวดไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์แต่เราเรียกว่าอุปกรณ์นั่นแหละคำว่าสวดมนต์สวดมนต์เรื่องพุทธธรรมสังฆะโดยความหมายและบทคารวะธรรมทั้งหลาย แล้วก็พูดถึงเรื่องปกรณ์สัทธะสัตตะปะเลสุปกรณ์เจ็ดคืออริธรรมเจ็ดอย่างเจ็ดคมพีเนี่ยเป็นปกรณ์เป็นอุปกรณ์ต่อการศึกษาธรรมหรือบทขยายธรรมะทั้งหลายที่เราเข้าใจทีนี้เราก็มาขยายพูดถึงเรื่องธรรมะที่เป็น เราเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมคือถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาในระดับคำพินิจตราธรรมะวินยัยอันเดียวนะธรรมะกับวินัยนี่เป็นอันเดียวกันวินัยใดที่เป็นไปเพื่อให้การเข้าถึงธรรมอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะใดที่ทําให้เกิดการเอาทุกข์ออกจากใจได้อันนั้นเรียกว่าวินัยของพระพุทธเจ้า ในความหมายพรทิเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใเรื่องเบียดพิณายตัคนคงอยู่ในภาวะใจว่าว่าหนึ่งได้เชเฉยนแต่วินัยของพรทิเจ้านี่จะตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางที่สุดนั่นก็คือภาษาทั่วไปเรารู้จักคือสีสสมาธิปัญญาเนะี่ยที่ในประกอณเนี่ยมันเป็นภาษาที่ลึกซึ้งส่วนมากอย่ที่เราเคยได้ยินนะเป็นสภาวะประมัติตธรรม ปรมาตธรรมคือเรื่องใจคนที่รู้จักจิตว่างคนที่รู้จักจิตว่างตามหลักวิปัสสนาต้องเน้นล้วตามหลักวิปัสสนานะคนไม่ใช่มีวิปัสสนาแนละ้วจิตมันก็ว่างเหมือนกันนะอย่างเรานั่งเหนียมันก็ว่างเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เกิดจากการเจริญสติไม่เกิดจากการทําให้สติเป็นสมาธิ แล้วเกิดการวิจ้ยไปดับนิวรกับสังโยชน์ทั้งหลายภาวะพวกนั้นก็จะไม่เป็นไม่เป็นปรมัติาภาวะในข้อมหมายของพุทธศาสนาไม่เป็นความว่างที่เป็นมัคในส่วนที่ใจเจ้าไเป็นผลที่เรียกว่าอนัตตาคือจริงๆในบทคามสอรทั้งหมดนีมันจะรวมลงในในคำว่าอนิจจาพุตธสังคลาตัวสุดท้ายนะ อันนี้จะสังขารไม่เที่ยงอุปเทวะมีการเกิดขึ้นอุปจิตตวานี้รู้จันติเมื่อเกิดขึ้นระดับไปเตสังหูปัสมูสุโ ข, ขดับสังขารได้ดับทุกนูปัสมูสุโ ข, ขเป็นสุเนะี่ยเป็นสุขคือมันไม่ทุกข์แล้วแต่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรสุโ ข, ขตัวนี้อาจจแะแปลว่าดับที่ท่านพูดวนิพพานังประมังสุ ข, ขังภาวะแบบนั้นนะที่นี้ ดับสังขารคือดับความคิดดับความปรุงแต่งสิ่งที่เป็นประกอบทั้งหมดทั้งเจ็ดเนี่ยคือตัวขยายอัเ น, นี้ขยายบทอริจาเนี่ยขยายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นไปเที่ยงทั้งของนอกของในเนี่ยสังขารเนี่ยสังขาร น, นี่นนรวมทั้งสมมตริรวมทั้งปรมัตทยกเว้นความหลุดจากการปรุงแต่งไปแล้วคือนิพพาน จึงไม่ได้ว่าเป็นสังขารอย่างในมรรคในผลนี่ก็ยังเป็นสังขารเพราะยังเรื่องว่าเหตุปัจจัยของสติสมาธิวิปัสนากว่าจะหลุดพ้นได้แต่ละตัวความหลุดพ้นไปจึงไม่เป็นสังขารนั้นธรรมะในเบื้องต้นเนี่ยเป็นคําขยายการปฏิบัติหรือว่าอุปกรณ์ของการศึกษาเรื่องจิตเพราะโดยป ร, รมัติษฐ์สาวะนี่คือ มีเรื่องของจิตมีเจตสิกเนี่ยมีจิตมีความคิดเจตสิกนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับความคิดนะอาจจะเป็นธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยอารมณ์ธรรมารมไม่หมายถึงตัวปีติความโล่งความโปร่งความเบาความสบายความสุขความสงบความตั้งมั่นของใจหรือการปล่อยวางการเห็นแก่คนเนี้ยรวมเป็นเจตสิก ที่เกิดขึ้นกับใจทั้งนั้นเนี่แต่มันเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลฉนั้นเขาก็ไปไลเ่เริ่มมาตั้งแต่ต้ น, น, นแล้วว่าจิตของคนเราเนี่ย <c oughs> มีความคิดดีก็มีมีความคิดชั่วก็มีกุศลากุศลากุศลจิตความคิดที่ฉลาดฉลาดก็คือรู้เห็นความคิดแล้วปล่อยวางเป็นอกุศลาต่งมาเข้าไปอยู่ในความคิดความปรุงแต่ง ซึ่งเหมือนกับอนิจาเมื่อกี้นะเราเข้าไปอยู่ในความคิดความปรุงแต่งเราออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็เลยเป็ น, ท, นทุกข์เองอ่ะบางทีก็เป็นกลางกลางกลางกางคือเฉยเฉยเฉยเฉยแต่ยังไม่เกิดปัญญาเป็นอัพญากระตะทำทำไมจะปล่อยวางทําไมถึงจะเฉยได้บางทีไม่ได้เฉยนี่ก็ยังไม่ได้เพราะคนนึงที่ไม่รู้จักพระสัจธรรมจริงๆเนี่ยคิดดีก็ติดคิดชั่วก็ติดเฉยเฉยก็เบื่อหน่ายนะรู้สึกมันแปลกประหลาดก็อยากคิดอีกอย่างเงี้ มันจะวกไปวนมาแบบนี้จิตมนุษย์เนี่ยนิสสอง ก, ก็จะเมธมากุณสรได้สมัยอะไรทำที่เกิดขึ้นอารมณ์ทางรูปทางตาทางหูจมูกรูปตาระมดังสัตตาระมนังคันธาระมดังโวดทวพาธรรมบาปรากฏเกิดขึ้นแล้วอาศัยปัจจัยคือถ้าจิตเรามีอคุศนอยู่ในตัวเองพอกระทบปุ๊บคืออย่างเราเห็นคนเนี้ยไม่ค่อยดีใจเราไม่ค่อยดีกับคนเนี่ยมันมี อกุศลมีความโลภโกรธหลงถ้ามีความโลภก็จะมองแบบโลภมองวัตถุเนี่ยมองบุคคลถ้ามีความโกรธก็จะโกรธมองวัตถุมองมุคคลถ้ามีความหลงก็จะหลง่ะเข้าไปอยู่ในความคิดในอารมณ์เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะถ้ามันมีกุศลอยู่ในใจเวลาผัสสะใจก็เป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลกุญจิตอยู่มองอะไรก็จะเป็นแบบนั้นนะผัสสะอะไรที่เป็นแบบนั้นท่บอกว่าถ้าเวลาใดสมัยใด ใจเป็นกุศลผัสสะแล้วความฟุ้งซ่านจะไม่มีมันไม่มีความฟุงซ่านไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมันไม่รู้สึกว่าหลวงพ่อตายพูดได้ยาไม่รู้สึกว่าหลวงพ่ออยู่มันผัสสะเท่าที่เรารู้จักท่านรู้จักท่านยังไงภาพเป็นยังงท่านก็เป็นแบบนั้นนั่นเอง <c oughs> คือโดยความหมายโดยปรมตรัตจารยจะโดยความจริงก็คือท่านเพ่ตาย หรือทนไม่ได้เกิดเนี่เพียนเด็มันเปลี่ยนธาตุเฉยธาตุมันเปลี่ย น, ย น, ยนสภาวะจับธาตุหนึ่งมันไหลกลับคืนสู่ธาตุเดิมมันเฉยแต่เราถ้ามีความรักเนี่ยเรารู้สึกว่าท่านตายจากถ้ามีความชังเนี่ยเราเหมือนว่าท่านมีการตายเกิดขึ้นจริงน่แต่ถ้าเราอยู่กับปรมัาทธรรมก็จะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาธรรมะก็เป็นแบบนี้แหละมีเกิดนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ดันั้นคนไหนก็ตามถ้าสามารถอยู่กับปัจจุบันธรรได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นกุศลไปหมดนะเป็นความฉลาดอะไรเห็นก็จิตมันก็ตื่นอยู่ตลอดเหมือนกุศลในวร่อความฉลาดในการรักษาจิตตัวเองกุศลนี่หมายถึงมัชนะแหละถ้าสูงขึ้นหน่อยเป็นมัชทางเบื้องต้นเรียว่าความฉลาดจะได้จิตมันสูงขึ้นมันยกจิตออกจากอารมณ์เห็นเกิดดับได้เรียกว่าเป็นมัชขึ้นมาละมันก็ด้ไต่เต้าขยับขึ้นมาตดี เขาจะเห็นเกิดจารเขาเป็นเจต ธ, ธาตุเนาะเจ็ธาตุเขาจะมีบทต่อไปประกอบบทต่อไปว่ามองจะท่านจะมองเห็นถ้าจิตท่านเป็นกุศลในที่เราจเจริญสติสร้างจังหวะเดินจยกรมหมั่นระลึ ร, รู้ตัวหรืออะไรเพื่อสร้างกุศลนี่เกิดขึ้นกับจิตเพื่อให้เห็นทุกกุศลเนี่ยคือความรู้สึกตัวหรือสติที่มันสามารถเห็นทุกตามความเป็นจริง เร อ, อเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์เห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติออสภาวะที่เกิดที่ดำเกิดขึ้นกับรูปกายอันนี้เรามายึดมันถึงมันมันนะเนี่ยทีแรกปฏิบัติทำเนี่ยยังไม่เห็นเป็นธาตุหลวงพ่อพูดอยู่เส ม, มอว่าให้เห็นรูปน้ำถ้าคนไหนรู้จากรูปน้ำเนยเหมือนเราขึ้นภูเขาแล้วมันเอียงไปถนนแล้วใช่ไหมมันโน้มมันเอียงไปแล้วมันไม่ไหลกลับล็อกจิตเป็นแบบนั้นจิตที่รู้รูปรูปนามแล้วเนี่ย คือเห็นว่าธรรมชาติอันนี้เป็นแค่รูปแค่นามนไอ้ที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเราไปเพิ่มไปเติมมันนัเราไปใส่อารมณ์กับมันเราคิดเองแล้วถูกสาสัญญาสามัญสํานึกตามสังคมเขาสอนให้สมมุติมันเป็นแบบ น, นี้การศึกษากัา ร, ร, ารเรียนกันเนี่ยรู้เพื่อได้สถานะทางสังคมอย่างที่เราเป็นปัจจุบันเนี่ยเพื่อการเข้าถึงสมมุติเท่านั้นนะ เพาะจิตเรามันสมมุติส ม, มุติว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนั้นใช่ไม่ใช่แล้วเราก็อยากได้ด้วยความโลภโกรธหลงแล้วก็วิ่งหาศึกษาเรียนรู้หาได้ตำแหน่งรั่นพวกอะไระพวกจะเข้าถึงสมมุตินั้นให้ได้จิตเราวิ่งเพื่ออะไรเพื่อสมมุติวิ่งเข้าไปสู่ภาวะสมมุติมันก็ต้องเป็นตามสมมุติ น, นั้นมันไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นนามเลยหรือเมื่อไหร่เจริญสติปุกบภาวะนั้เป็นเห็นเป็นรูปเป็นนามกอเห็นการเคลื่อนไหวที่เฉย เราไม่ได้พวงแต่งกับมันเห็นกายเฉยเห็นจิตเฉยเห็นความรู้สึกตัวเฉยเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งขึ้นมาแล้วจะเริ่มมองเห็นนะเห็นเอามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปข้างในนะแต่ข้างนอกที่แรกก็เห็นจากข้างนอกเหมือนสังคมทั่วๆไปเขาเห็นข้างนอกนี่เขาจะใช้อะไรใช้ตกตะใช้อะไรมองจากวัตถุสิ่งของแต่พวกที่ศึกษาธรรมะจากภายในเนี่ยเขาจะเห็นที่จิตเห็นจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนั้นนะ่ะ สังขารมันปรุงเกิดดับจนทั้งว่าเห็นแล้วมันเร็วเข้าเร็วเข้านะพลังวิญเจริญสติเนี่ยจเจริญสติเขาทำให้มันมากมากขึ้นแล้วอะไรมันอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นสิ่งปัสสาวะมันก็จะดับเร็วขึ้นปัสสาะก็จะดับเร็วขึ้นไม่ปรุงแต่งตามแล้วมันเป็นการเรียนรู้เห็นทุกข์เออวิ่งไปตามความคิดวิ่งไปเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นนะเหมือนสนทนากองหลวงปู่กรมเมื่อกี้นะท่าในให้อววาสพระอยู มันก็เป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรทั้งหมคือเข้าไปอยู่กับความคิดกับไรไปกับความคิดเราจะเข้าไปอยู่มันทําไมอ่ะกี่ปีกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันก็ถูกสมมุติแล้วก็ไหลไปตามสมมุติสภาพวัชีวิตเราก็คือรับใช้สมมุติไปเรื่อยๆไหลไปตามมั น, นกลไกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมก็เพื่อให้เกิดสมมุติแล้วก็รักษาสมมุติท่าเองก็ถูกกองท่านทีนี้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมั่นคงเป็นรูปอารมณ์รูปน้ํามอย่างเาว่า รูปนามก็คือคือจิตมันตื่นตัวครั้งแรกเนี่ยมันเกิดภาวะความสว่างความเห็นแจ้งทีแรกเนี่ยมันอยู่กับกายเดินไปเดินมารู้ตัวท่วงร้องจัดจีนเนี่ยช่วงจีนี้เราจะเกิดปีจิตเกิดอะไรเนี่ยสักพักภาพประภองเป็นนะรูปนามนี้มันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นหมายว่าอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเนี่ยโดยที่มันเกิดปัญญาแบบหนึ่งขึ้นมาที่เขาบอกว่ามารู้จักจะสมมุติเนี่ย แต่ตัวรู้จักสมมุติที่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนาตามากขึ้นคือสักพักมันกระดับสักพักกระดับเกิดแล้วกระดับมากขึ้นมองไปมองมามันจะมีเกิดความเข้าใจโอ้ที่จริงทุกั้งหลายเลยเกิดจากเราไปติดสมมุติเองนะเราไปสร้างสมมุติให้ขึ้นที่เกิเองการรู้จักสมมติเนี่ยก็คือรู้จักทุกขึ้นมาถีงระดับหนึ่งจะรู้รูปรู้นามไปแหละแนละ้วจิตก็จะคลายออกคลายออกคลายออกมันจะคลายสมมติเนี่ย เมื่อก่อนติดรูปคลายรูปคลายนาำเย๋ยที่จะเริ่ ม, มคลายรู้จัว่าติดเนี้ยคือมาติดสมมติมันจะไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะมันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนั้นพอรู้จักสมมติน่ะคือจะเริ่มรู้จักธาตุติดคําสอนบทต่อมาจะเป็นเรื่องพระธาตุกถาคําพูดอกถาคือคําพูดคําสอนที่ว่าด้วยด้วยเรื่องธาตุคนเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือที่เอต่อาการนี่ยดูในธาตุคือ ของแท้ๆน่ะธาตุก็คือของแท้อย่างเงี้ยธาตุแท้ที่เราเรียกกันมันมีแต่ดินเนาะเจิงแข็งเนี่ยอันนี้ก็มีแต่น้ําเลือดเนี่ยมีแต่ลมหายจะเข้าหายจะออกความบกบุญในร่างกายไหลไปไหลมาเรามายึดมันว่าเป็นเรามันยังไม่เป็นรูปเป็นนามพอเราก็เหเรื่องรูปโดนแล้วอ๋มันเข้าใจผ่านมาเรื่องธาตุยิ่งธาตว่าคนไหนมีสมาธิตั้งมั่นชัดเจนเนี่ย สมาธิมากมากจนเต้อางทีเนี่เห็นเป็นกองกระดูกเดินไปเดินมาในเนื้อหนังในหลุดว่าลงไปกองอยู่กับพื้นนะเหลือจะเป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมากระพิบตายเฉยๆในสมาธิรู้สึกว่ากระทบแต่ตอนนี้ดังสั่นสะเทือนไปหมดทั้งกายโยกเดินก็ยังลําบากนะต้องค่อยๆเดินนะสมาธิมันจะมันชัดมากไนอะ้ภาวะที่สติมันชัดได้เยอะนี่มันจะเหมาะเหมาะเก่กับการพลิกจิตตัวเองที่เขาบอกว่ากรรม กรร ม, มริโยสมาฮิโตะปริสุทธโภกรร ม, มริโยกรร ม, มริโยโอ้ควรแก่การงานคือสิต ท, ที่มันมั่นคงสมาที่มันแจ่มชัดมันเหมาะกับการเป็นมรรคที่จะพลิกจิตเมื่อก่อนมันไม่พลิกนะเตี้ยแต่มันพอรู้รูปนามรู้สมมติเฉยแต่แค่จะข้ามความเป็นปุถุชนเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยมันต้องเลิศพัฒนาให้มันมากกว่าอารมณ์รูปนามอารมณ์สมมติขึ้นไป พอเข้าสู่ความเป็นปรมัตดไปนี่ปรมัตดคืออะไรปรมัดก็คืออนัตตาแท้ๆนั่นแหละปรมัตดก็คือไตรลักษณ์ปรมัตดก็คืออนัตตาปรามัดปรามัตดคือการสัมผัสจบขันห้าเกิดดับที่ชัดๆปฏิบัติใหม่ๆก็จะเริ่มเห็นว่ามันสั้นเข้าสั้นเข้าขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาตั้งขันมิญยานกระทบปัสสาะหน่อยหนึ่งก็ดับไปดับไปดับไป ภาษาบาลีวความคิดมันดับไปขึ้นนะเนะ่ยกระทบก็วัขึ้นไวัขึ้นไวัขึ้นมันก็จะเห็นมันเป็นธาตุไม่อยากเห็นมันก็ต้องเห็นนะโอ้มันเบียงแต่เบียงอาการเนาะอาการของธาตุธาตุสีดินน้ำไปลมปรากฏเกิดขึ้นทีนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในวงจรมันเราอยู่กับตัวรู้ตัวรู้นี่เราก็พูดเป็นภาษาภาษาสมมตินะว่าตัวรู้ คือเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกตัวชัดชัดชั ด, ชดเจนมากขึ้นเนี่ยธาตุอันนี้ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น น, นะมันเป็นสัตว์แปลว่าเป็นแบบนี้สภักดิ์มรรคกายมาเป็นว่ามันไม่มีคนนะ่ะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพื่อที่มากรองว่าค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมัาภประมัดคือความจริงขั้นสูงสุดความจริงอย่างยิ่งปา ร, ระแปลว่า อื่อักบากเรว่าประโยชน์นะความจริงจริงๆมันไม่มีแต่ที่เป็นความจริงโดยสมมุติความจริงมีสองแบบหนึ่งควจแบบสมมุติสมมุติก็มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นความรู้สึกเป็นความสําคัญมั่นหมายความเป็นตัวตนบุคคลเราเขามาจากไหนมาจากความโลภโกรธหลงถ้ดับโลภโกรธหลงสมมุติพวกนี้มันก็หายไปนั้นค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมัาเในประวัติมันไม่มี ความจริงมันไม่มีมันเกิดจากเหตุปัจจัยมาต่อ ก, กันขึ้นเอาเหตุปัจจัยมาต่อขึ้นเอาแขนขาตีนมือมาเอารูปเอาล่างเอาธาตุินน้ำไฟลมมาต่อ ก, กันขึ้นเราก็สมมุติให้มันใส่สมมุติเข้าไปเป็นเขาเป็นนายนั่นนางนี่ขึ้นมามั น, นกงกลายเป็นความผูงพันเป็นความยึดติดเขาเรียกว่าเป็นอุปาทานขันอุปท า, านขันมันขึ้นมานะ่ะแต่โดยสมมุติมันไม่มีนะ คนไหนค้นหาบุคคลได้ในปรมัติตเนี่ยผิดในที่มีคนไว้อะไรนี้ถ้ามีผิดแต่ว่าขอให้เกิดจากการรู้แจ้งว่ามันไม่มีคนสัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติเกิดดับเฉยเฉยเนี่ยนั่นคือปัญญาตีแท้จริงมันไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราขเขาเขาบอกในประกอบที่เราสวดไปเนี่ย คือธรรมชาติเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าจันเป็นรู้แจ้งแปลว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้แต่ต้องฝึกตสติเจริญสติจนทํางว่าเห็นสัจจะาธาตุสั จ, จะธรรมเนี่ยปรากฏอันนี้เขาเรียกว่าสัจจะธรรมะที่เป็นสัจจะไม่ใช่สมมุติธรรมสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นสมมุติเป็นปรมัาเ็นปรมัาเป็นสมมุติเรื่องธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เรื่องที่ไราสาละที่พระท่านมองคือเรื่องสมมติเนี่ยเราจริงเราจังมากมาคนละภาวะกันตอเราเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นกงจกับไปที่มันหมุนอย่เนี่ยเราก็ไหว ก, ก็ไปหยับเข้าไปหาแต่ดอกบัวเนี่ยเราอยู่ห่างไกลดอกบัวคือสั ญ, ญลักษณ์ของสัจ ธ, ธรรมดนะังนั้นจึงเป็นที่มาที่มาหรือว่า นอกจากค้นหาบุคคลไม่ได้ในประมาติแล้วเนี่ยเขาจะมีคำว่าคนในพุทธศาสนาปรากฏเกิดขึ้นในหลักธรรมวิธรรมเนี่ยคนคนคนคนปุคโลปรปติสจิกาถะปรมาเทศนาติอามันตโยสจิกตโคนมีอยู่ทั้งหมด20ประเภท คนในทัศน์ศา ส, สนาเนี่ยมีอยู่ยี่สิบประเภทมียี่สิบชนิดแต่เขาเริ่มจากคนที่ที่เริ่มปฏิบัติธรรมไปเลยนะคือหมายถึงอารมณ์ของจิตเนี่ยมีอยู่2ี่สิบประเภทมีอะไรบ้างอะ่ะก็เริ่มจากอุทุชน่ะ กุธชโอโคตรพูพยุประโตอภยยูประโตภะพากรรมโนภะพากมโนนิยโตนิโตปิปันตังโกพระติโตอะระหอะหัตตายปฏิปันโนที่เราสวดกันนะคือคนเนี่ยมันมีคนง่คนฉลาดคนไหลตามความคิดคนอยู่เหนือความคิดเนี่ยคนยังมองโลกที่ไหลตามสมมุติคนอยู่กับปัจจุบันที่เป็นปรมัตแล้ว โคตรภูพยุประตูบางคนปฏิบัติทำเลยจากความเป็นภูติชนภูติชนคือคนหนานะ่ะสอนเท่าไหรบอกเท่าไรพระพุทธเจ้าสอนเท่าไรหรือไปฟังธรรมเาท่าไรมันก็ไม่พลิกไม่เปลี่ยนเพราะมันหนาหนาเพมันต้องหนักด้วยนะอะไรที่หนานี่จะหนักด้วยมันหนักกับมันพลิกไม่ได้ใจเราเนี่ยไม่เคยพลิกไปสู่สีลธรรมได้สัทีเขาพูดยังไงก็มันไม่เชื่อนะเขาบอกว่าผีไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ยังกลัวอยู่ ผู้สไลก็ตามทำว่าคุณไม่มีตัวตนหนอนั้นเราก็ไม่เชื่อตัวตนยิ่งเยอะขึ้นอัตรามากขึ้นอย่างเนี้ยเป็นผู้ทุชนเมื่อไลด์กรตามเราสามารถพริกใจเราสามารถมองเห็นขันห้าเกิดดับได้รูปกระทบปุ๊บดับได้เวทนาเกิดขึ้นดับได้ความโพอใจไม่พอใจเกิดมาได้ดับจับอยู่ข้างในคือคนที่ยกเอาพระมาไว้ในใจได้นะ น, นะคนจะเริ่มกลายเป็นอริยะนะ มีพระอยู่ในใจคือความรู้สึกตัวสติสัมปทาเจดีย์ปสัสนานะเวทนาเกิดขึ้นกระทบดับได้สัญญาอาดีตอนาคตเกิดมาเห็นว่ามัมีตัว ต, ว ต, วดดตนดับได้สังการปรุงแต่เกิดขึ้นดับได้วิญญาณกระทบกับใจวิญญาณคือความรู้สึกความนึกความคิดเ่าเนี่ยที่มันเริ่มเป็นตัวไปต้องกระทบเกิดทุกข์เห็นดับได้พวกที่เป็นเหี่ยงยี่จะเริ่มละมันจะมีภาวะหนึ่งที่ กำลังของความรู้ตัวหรือสถิตสัมปัญญเราแก่กล้า<ม>กระทบกับปณหาแล้วเกิดสว่างขึ้นมาสปาร์คแจ้งขึ้นมาต่อไปก็เอา้าเห็นมันเกิดแล้วมันดับไปเองเราไม่ต้องมากล้องดูกันเนี่ยตอนนี้ว่ามันเลยความเป็นภูตุชนไปอืมคนอย่างนี้จะเริ่มหายนะไม่เชื่อเรื่องสมมุติไม่เชื่อเรื่องผีเทวดาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเนี่ยเหมือนที่หลวงพอ่ออาจารว่าน่ะ ท่านเองก็เคยเป็นหมอทำหมอผีหมออะไรพอปฏิบัติทำได้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปมันมีความรู้แบบนึ้นขึ้นมารับวรอ ง, ร, องรับจิตประเภทนั้นนะฉะทั้นไอ้ความงงงายทั้งหลายนก็หลุดหายไปอ่ะเขาบอกไงว่าคนใดเป็นโสดาบันเนี่ยคนนั้นไม่กลัวผีละหมดแล้วความงมงายทั้งหลายไม่มีมีความมั่นคงในความรู้ตัวศรัทธานในการปฏิบัติ ความรู้สึกตัวอย่างแท้จริงภาะวะเนี้ยเรงนั้นก็ไม่ได้เป็นปุถุชนละขยับมาหน่อยปุถุชนมันเป็นเป็นโคตรตะพูละเป็นบคนุคคลเป็นอริยะอริยะคือผู้ไกลจากกิเลสกิเลสแปลว่าอย่างเหนียวมันไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวนี้ตะทบปุบเอามันดับได้เองมันไปแล้วดูเฉยเฉยได้กระดิกนิ้วกระพริบตาหายใจและนเรู้เอามันดับเป็น ใจมันสบายจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนน้อแล้วเป็นผู้บางทีก็ยังเป็นผู้ที่มันยังไม่เที่ยงดีบ้างเป็นบางครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเพียนดีก็รู้สึกพออยู่ได้แต่ความเพียนก่อนมันก็หายไปมันเกิดเกิดดับๆับปัญญาที่ดับทุกเนี่ยมันเกิดเกิดดับเหมือนไฟเนี่ยลมพัดแรงมากจะดับจุดไหม้อยู่เลยกว่าจะติดได้กว่าจะได้อารมณ์นานหี จะเอาไว้อยู่นั่นแหละทีพอ ม, ม, มันเที่ยงปรนวัติยโตผู้เที่ยงอันนี้ยโตผู้ไม่เที่ยงปฏิปันดังกโกผู้กำลังปฏิบัติพระเลติโตผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงถึงคำว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะความเป็นผู้รู้นี่ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิเกบานที่เขียนไว้ในองค์พระนะ ที่คงเป็นหลวงพอ่อว่าท่านให้นคนสลักเอาไว้นะฝึกเป็นผู้ดูฝึกเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูดูธรรมชาติมันเกิดมันดับนะไปเจอหลวงพ่อในโรงพยาบาลเจ อ, อจุลาเยัญชนะครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงหลวงพ่อเด้อ เราไปจับกันหลวงพ่อสมัครตายแล้วหลวงพ่อสมัครตายแล้วคือปกติเราไม่สมัครตายแล้วเรายังไม่อยากตายนะถ้าเราเขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วสมัครตายแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราทำไม่ได้อย่างพระเทียนนะพวกเราเน่ยเป็นลูกหลุงพระเทียนอแเราเป็นหลวงพระเทียนได้ทุกทุกคนใครก็เป็นได้เราทำให้เป็นอย่างหลวงพเทียนได้หลวงพเทียน สมัครตายเป็นเราก็สมัครตายเป็นได้ไดเกิดมาชาตินี้อยู่าไปกลัวต้องข้ามไม่ได้มัจจุบันยังสรุนตรังข้ามความกลัวความกลัวกลัวจนกลัวมีกลัวโรคภัยไข้เจ็บกาด้วยสุดท้ายคือความกลัวตายเนี่ยเราข้ามไปได้หรือยังจิตมันข้ามได้ไหมมันเห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เฉยได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ละเนี้ยทุกข์ยังบีบคันเราอยู่ล่ะฉั้น ก็ต้องข้ามเจตนาปโพอนุรักษณาปะโูบางคนยังตามรู้อยู่นะบางคนก็กําลังกําลังเจตั้งเจตเราก็ตั้งใจทําเจตนาแปลว่าตั้งใจทําอนุรักษ์ก็คือตามรักษาบางคน อ, ร ห, อรหันต์ตถาปฏิปั น, นุบางคนผู้เป็นพระอารหันต์ผู้กําลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์อยู่ก็มีพระอรหันต์ก็คือผู้ไม่หันกลับมาทุกแล้วไม่หันมาหากับสมุดแล้ว จิตเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงขาพ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนเราไปเนี้ยรัมตมะอาจจะเก็บไปหมดนะแต่บทสุดท้ายก็พูดถึงว่าเหตุปัจจัยปัจจัยของชีวิตเนี่ยชีวิตเราเกิดมามันมีปัจจัยพอความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปัจจัยที่นําไปสู่มรรคผลเนี่ยมีปัจจัยอยู่ยี่สิบสี่ตัว เหตุปัจเจียอารมณปัจจียอริปปิปัจจียอนัตตาปัจจียวสมานอตราปัจจียปัจเจียมีอยู่ยี่สิบสี่ตัวธรรมะอย่างมีเหตุเป็นปัจจตธรรมที่มีเหตุปัจจัยอารมมณปัจเยวธรรมบางอย่างมีอารมณ์เป็นปัจจใจบางอย่างมีอธิบดีเป็นปัจจัยฮะมีปัจจัยขั้นในระหว่างอะไรต่างๆนี่เขนจะสอนแบบนี้นะคือบางที่ปฏิบัติไปกําลังจะดีอยู่เกิดคนมาพูดถ้วยก็เสียบางที่กําลังปฏิบัติดีอยู่กินข้าวมากวันนี้กลับไปอารมณ์หลุดอย่างเนี้ย บางทีไปปฏิบัติธรรมเดินจุกรมที่ดีไปเดินบินสวัติกับมาติดอารมณ์มาไปเห็นนูน่นไปตมผัสนี่มาเนี่มันมีปัจจัยขั้นหรือเมื่อทีกําลังไม่ได้อารมณ์แต่พอเอินไปเจอภบะอาจารย์ที่พูดอะไรให้เก็ดอะไรขึ้นทุอย่างจิตมันก็ตื่นโพงสว่างซะเลยปัจจัยขั้นเนี่ยว่าอาจจะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีแต่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยบางอย่างบางคนปฏิบัติธรรมหรือศึกษาพระธรรมเนี่ยจะเดินทางไปสู่มรคนนะปัจจัยที่นําไปสู่มรคลเนี่ยความพ้นทุกข์เนี่ยบางคน เขาเป็นมาก่อนนะ่ะเป็นคนใจดีเป็นคนชอบเหตุทานรักษาศีลเจริญภาวนาหมัม่นปฏิบัติอยู่เรื่อยมีส ม, มะถะอยู่ในตัวการปล่อยวางเขาก็ฝุดอยู่เรื่อยพอมาปฏิบัติทำบัญญัติงานนะ่ะวันสองวันหรือเช้ารู้แจ้งตอนเย็นเนี่ยอันนี้เขามีปัจจัยนี้มาก่อนนะ่ะปุเรชาตปัจจัยโยปัชฌาชาติเมื่อที่ความรู้ของเขาใจนี่เกิดขึ้นการปล่อยวางเกิดขึ้นหลังปฏิบัติแล้วก็มี บางทีเกิดจากการเสวนาเสวนาปัจโยการได้ยินได้ฟังการพูดการคุยแล้วก็เกิดเกิดสมาธิถิในเบื้องต้นมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าคนมีสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยวเวลาไปฟังธรรมะอย่างอย่างนี้ยเราปฏิบัติธรรมทั้งวันตอนเย็นมาเนี่ยจิตมันพอดีเลยมันจะเกิดตื่นขึ้นในทีนะวเวลาได้ยินได้ฟังแล้วจึงเห็นว่าสมัยพุทธกาลมีนคนปฏิบัติธรรมดีๆไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่พูดนะ ทัดหมาตีระผู้มีบารมีเนี่ยเวลาเราฟังทั้งจิตเราน้อมลงอะ่ะแต่ที่จะพูดตลกตูอ้อะไรเราจะตั้งใจฟังเพราะพูดออมามนจะเป็นออกมาจากความจริงใจปัญญาล้วก็เิดสว่างนั่นละทีนั้นเขาจึงบรรลุธรรมไปตอนนั้นนะชอบบรรลุธรรมคือผู้นี้มันปล่อยวางดีระดับถึงแล้วแค่แค่เหมือนดอกไม้ดอกบอัวน่ะก็เราจะบานขึ้นมาเพราะว่า จะมีใครตอบคำถามนี้เป็นหรอใครจะพูดถูกใจกับเราที่กลังปฏิบัติทำอยู่หนอเนี่ยแต่เวลาเราเข้ามานี่มันเป็นแบบ น, นั้นแหละจิตมันเสิร์ฟถาข้อมูลอยู่มันก็พอกระทบกบมันก็นกนกนกนกนสว่างขึ้นทีอ่ะฉะนั้นอย่าทำเล่นไปเพราะชีวิตนี่เรากำลังแสวงหาปัใจจัยในการเดินทางไปสูม่มรรคผลปัจจัย24ตัวสามารถปรากฏเกิดขึ้นในระหว่างทั้งก่อนและก็หลัง อนันตระปจิโยส ม, มนันตระปจิโยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในได้ทั้งนั้นนะบางทีเกิดจากการเห็นข้างในบางทีก็เกิดจากการเห็นจากข้างนอกแล้วก็มองกลับมาข้างในก็มีเดี๋วเมื่อกี้มาเดินเห็นลวงปู่โกมโอแก่เนาะอายุท่านเยอะปฏิบัติธรรมด้วยกันมาเดี๋ยวนี้ท่านก็สังขารท่านยังอยู่ได้อยู่ดี<ไ>เกิดปิตินะเธอปิมนะพระน้อยพระเลเข็นเนี่ยท่านเป็นความจริงใจอ่ะ เพราะมันสามารถเกิดขึ้นในในปัจจุบันนั้นก็มีตัวปีติความเบิอบอิ่มเป็นเบื้องต้นของการนำไปสู่ปัจจัิสมาธิและการปล่อยวางเหมือนมันมีกำลังใจกิดเราเลยเพราะนั้นของจิตแต่ละคนไม่ว่าใครก็ตามเราไปค้นหาดูนะจูงท่านนโนันแวแหละ เราเห็นทาบางอย่างชาณปัจโยบางอย่างมีชาญเป็นปัจจะสติพัฒนามาเป็นชาญชาญยังไม่เข้มแข็งพอพัฒนาไปให้มันเป็นมัชมัคปัจโยชาณปัจโยมัชปัจโยสัมปยุตตาปัจโยวิปยุตตาปัจโยอธตติปัจโยนัตติปัจโยวิคสัปปัจโยอริิคสปปัจโย บางทีมีชานเป็นปัจจัยมีมรรคเป็นปัจจัยมีผลตัวนี้เป็นปัจจัยก้าวไปสูงมรรคตัวอื่นทำบางอย่างไม่มีปัจจัยทำบางอย่างมีปัจจัยคือมันไม่ต้องมีตัวเราหรอกทุกคนเนี่ย แ, แต่พุทธธรรมนี่ไม่ต้องมีปัจจัย อย่างความรู้สึกตัวเป็นผู้ดูเนี่ยมันเลาให้ตัวนั้นเกิดตัวนี้เกิดแต่เราเนี่ยต้องอยู่เฉยๆมี่แต่ตัดทาวิทยาสติสมาธิตั้งมั่นตัวนี้แล้วตัวตั้งมันน่นปฏิสัมภิษมันเจ็มแจ่มชัดีๆเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางรูปรสกลิ่นเสียงอุปท า, านทั้งสี่ที่เกิดขึ้นกับอายตนะัตะเนี่ยกิ่นมันจะปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นกามพิธิอัตตา หรือความหลงความงวงงายความไม่เข้าใจทั้งหลายเนี่ยมันสามารถหลุดรอดปล่อยวางได้สุดท้ายนะพอปล่อยวางได้มันไม่มีอะไรเหตุปัจจัยทั้งหลายที่เข้าใจเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเป็นนิกงขังโขความไม่สงสัยในพุทธธรรมนี่งขังโขคืความสินสส้นสงสัยสิ้นงใสงสัยในการเกิดการตายสิ้นงใสงสัยในมรรคในผลสิ้นงใสงสัยในการเกิดการดับ สิ่นสงสัยในชาตินี้ชาติหน้าสิ้นสงสัยในตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดในกาเนี่ยมันดับแล้วเาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนีไม่พ้นนิยามของนิพพานเละเนี่ยไวยพ์ของนิพพานไปไม่กลับดับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยจบแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วจบสิ้นละเป็นผู้สงบโดยแท้ผิดแบบนี้นี่และมาเอง เห็นปฏิปทาองค์หลวพ่อมานานท่านเป็นผู้สงบพน้นท่านดับท่านเย็นดับตั้งแต่ท่านยังไ ม, ม่มรณภาพนะท่านเย็ น, น เ, ยเราปฏิบัติกับท่านเราถือว่าได้ประโยชน์นะอยู่ใกล้แสงสว่างก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นจะอยู่กบบับความมืดหรืความมืดมันต้องมืดทั้งหมดดีนี่เอเสว่านาจะพาลานังดังนั้นเวลาเรามานี่เราอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินได้สดับ เทพท่านบางอะไรบางก็ขอให้มันเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะว่าท่านเองก็เหมือนชีวิตที่อะไรนะภาษาอีสานเพราะว่าจุดตะเกียงจุดตะเกียงซ่องทางไว้ข้ให้คน้นมูอส้มตาดีผู้ให้คข้นตาดีได้เห็นหงผงมูอส้มบอดใบสีนี้หูหอมใดจุดไว้ถ้าคนตาดีเนี่ย ฟังปก๊มันเกิดความเข้าใจได้ดีนะแต่บางคนเทพก็ไม่เข้าใจฟังเทพฟังทําอะไรเนี่ยทำมาเขึ้นมาไว้หนุนหัวนหนังสือหรือเปล่ารประมาณเฮ้ยไปงานท่านก็เหมือนได้ไปร่วมอะไรประมาณนั้นเป็นบุคคลในปราวัติศาสตร์อะไรงานท่านผมก็เคยไปได้ถ่ายรูปมาด้วยขอให้มันเลือกซื้อมาบ่อยหน่อยเถอะชีวิตเนี่ยะขอให้มันซึ้งซับให้ได้เยอะๆหน่อยจะเป็นว่าตัวจุ่มก้มมืองุ่มพอถึง สวดจุมพุ่มก็คือไปยกเข้าวัดก็เข้านะถึงแต่ว่าท่านก็นถึงแต่ไม่ได้ผัดสัตว์ไม่ได้สัตว์จะทำอะไรปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเองมไม่มีอะไรเลยเน<ม>ี่ะบ้านไก่ทาบามีนำกิน<ม>ซุ้มปั่นดินบ่นมีหมอใส่ยาเรียงไก่บ่มีตัวขัน <c oughs> ให้มันเป็นอย่างนั้นนะให้มันมีตัวที่มันขันขันได้ขันสัตว์จะทำบ้านอยู่ ใ, ใกล้ มนีน้ำดื่นเ่ยคือเราอยู่ใกล้พระพุทธธรรมประสงค์อยู่ใกล้พระอริยะอยู่ใกล้สัรษฐธรรมขอให้ได้สัจธรรมทั่วหน้ากันนะสุดท้ายตรรมภาพตัวแทนประสงค์คุบาอาจารย์กล่าวสัจธรรมในวันนี้ก็ขอน้อมเอาสล้านพระน้อยที่ได้กล่าวมาเป็นเครื่องบูชาคุณองค์หลวงพ่อเป็นพระวะปัจจัยช่วยชี้นา กถาปัสสะญ า, ยาโยตังหลายให้ได้บวชปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่พระศาสดาสั่งสอนดีผ่านองค์หลวงพ่อต่อมาจนกระทั่งครูบาจารย์หลายในเมเนดนำนี <c odes> ้เกิดเป็นสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในกิจกรรมสามารถสืบต่ออายุพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ที่องค์หลวพ่อได้ปฏิบัติและพยายามที่นําหลอกให้ได้ทุกกันทุกโลกทุกองค์เทิน